ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจทำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโพธิปัตยธรรมส7สประการซึ่งประกอบด้วยธรรมะเจ็ดหมวด และได้แสดงมาแล้วโดยลำดับคือสติปฐานสี่สมปธานสี่อิทธิบาทสี่อิน 5, รี่ห้าะละห้าจึงมาถึงหมดโพ์ชงเจ็ดและหมดโพ์ชงเจดนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรวมไว้ในหมด ธรรมานุปนัฏฐานสตรประธานในมหาสรประธานทั้งสี่ในหมดธํามานุปัจนานี้ทรงแสดงเริ่มในโพธชงทรงแสดงเริ่มโดยนิวรหัน 5, ิวรหัชยจนะ6หกและจึงแสดงโพธชงเจ็ด โพธงเกตนี้ทรงแสดงในหมวดธรรมานุปัสสนาดังกล่าวและก็ทรงแสดงในหมวดโพ ธ, ธิปักกิยธรรมนี้ด้วยต่อจากพระหา้าในหมวดโพ ธ, ธิปักขิยธรรมสามสิบเอ็ดประการอันประกอบด้วยธรรมะเจ็ดหมวดเหล่านี้สติปัฏฐานสี่ ซึ่งทรงแสดงไว้เป็นหมวดแรกเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นหลักยืนในเบื้องตน้นและในการปฏิบัติในสิประฐานทั้งสี่นี้ก็ต้องอาศัยสมปรทานสี่อิธิบาทสอินรีห้าพละห้าและเมื่อสิบประฐานเนี่ยอาศัยธรรมะเหล่านี้สติ ซึ่งเป็นสติปัฏฐานนั้นก็เลื่อนขึ้นเป็นโพธิชงเจ็ดหากว่าจะแสดงแต่ชื่อเขาหมดธรรมโดยไม่จำแนกออกไปโดยละเอียดทุกข้อก็กล่าวได้ว่าในการปฏิบัติตั้งสติกำหนดพิจารณากายเวทนาจิต และธรรมะในจิตก็เป็นการปฏิบัติอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าผู้ทรงเป็นผู้รู้ผู้เห็นและทรงแสดงแนะนำไว้จับเริ่มตั้งแต่อาณาปานสติสติกาหนดลมหายใจเข้าออกอันเป็นข้อแรกในหมวดกายานุปัสสนา โอ้ปฏิบัติเมื่อไม่ประสงค์จะจดจำโอข้อธรรมะไว้ให้มากเมื่อได้ฟังข้อที่ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติในการกำหนดลมหายใจเข้าออกก็น้อมเข้ามากำหนดดูลมหายใจเข้าออกที่ตนเองเพราะทุกคน ต้องให้ใจเข้าต้องให้ใจออกจุูโดยปกติแต่ไม่ได้ตั้งสติกำหนดให้รู้เพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิและเพื่อเกิดให้เกิดญาณปัญญาความอย่างรู้ซึ่งเป็นตัวปัญญาหรือปัญญาที่เป็นตัวความอย่างรู้ในการทำสติและการทำ ญาณปัญญาดังกล่าวเมื่อปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนก็ไม่ยากคือไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปในที่อื่นให้กําหนดเข้ามาดูกําหนดที่ลมให้ใจของตนเองซึ่งเมื่อกําหนดก็ย่อมจะรู้ว่าเราให้ใจเข้าออกอยู่เราให้ใจรให้เราให้ใจเข้าอยู่ เราให้ใจออกอยู่ย่อมจะรู้ที่ตุเองและเมื่อกำหนดให้จิตตั้งรู้อยู่ดังนี้ก็ย่อมจะรู้ว่าเมื่อให้ใจเท่านั้นลมก็มาสัมผัสกระทบที่ริมผิ ป, ปากเบื้องบนหรือซื้อปลายกระพงจมูก เข้าไปร่างกายก็ปรากฏว่าอุทธรคือท้องผองขึ้นก็ทําความกําหนดเหมือนอย่างว่าลมไม่ใจผ่านจากปลายจมูกเข้าไปสู่อุทธรที่งผองขึ้นและเมื่อออกอุทธร์คือท้องก็ยุบลงแล้วก็ผ่านออกมาถึงปลายจมูกก็มากระทบปลายจมูกเป็นวิธีกําหนด ที่พระอาจารย์ได้สอนไว้โดยที่ไม่ต้องคำลึงถึงทางกายวิภาควิทยาที่มาหายใจเข้าไปสู่ปอดแลออกจากปอดเพราะว่าไม่สามารถจะกาหนดให้รู้ได้สามารถจะกาหนดให้รู้ได้ที่ผัสสะคือการกระทบคือจุดที่ปลายจมูกและที่อุทธรที่พองหรือยุก และเมื่อทําความกําหนดดังนี้ก็เพื่อให้เป็นที่ตั้งของสมาธิเท่านั้นและก็สมมติเพิ่มเอาว่าผ่านอุระคือสวงอกกันเป็นจุดกลางกันจุดกลางนี้จะถือเอาว่าเป็นปอดก็ได้แต่ก็ไม่จําเป็นต้องเป็นลึกถึงให้กําหนดอยู่ที่อาการอินลมมากระทบและที่มีอาการของร่างกาย ของอุทธรคือทองที่พองคือจะยบลงตั้งสติกำหนดลมหายใจที่เข้าสมมติลมเป็นสามจุดดังกล่าวเมื่อเข้าก็เข้าที่จมูกและไปสุดที่อุทธรเมื่อออกก็ออกจากอุทธรและมาสุดที่ปลายจมูกก็สมมติเราเพียงเท่านั้น <c oughs> สำหรับเป็นที่ตังของ มาี่ให้จิตรวมดังนี้และเมื่อทารวมจิตได้ดังนี้แล้วเวทนาก็จะปรากฏเป็นปิติเป็นสุขแต่ก่อนที่จะมีเป็นปิติเป็นสุขทุกเวทนาอาจจะปรากฏก่อนเมื่อเริ่มทำคืออาการที่ จ, จิตใจเหมือนดังถูกบังคับให้มากำหนดเหมือนยังถูกบีบคั้นให้มากำหนด นั่นทำให้รู้สึกว่าไม่เป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อเพียนล่วงทุกข์อันนี้ได้แล้วคือหมายความว่าไม่ยอมเลิกแต่ว่าคงเหมือนอย่างบังคับจิตฝืนจิตให้ทำต่อไปจนจิตเชื่องเข้าจิตรวมเข้าจะปรากฏนิมิตของสมาธิเป็นเหมือนแสงสว่าง ย่าเมื่อเริ่มในสมาธิก็จะเริ่มได้ปีติได้สุขในสมาธิอันนําให้จิตที่ไม่ชอบนั้นกลับชอบขึ้นมากดตั้งอยู่ได้พรดฉะนั้นในการปฏิบัติดังนี้ก็จงอาศัยประธานะคือความเพียรที่ตั้งขึ้นไว้เบื้อหน่าไม่ยอมที่จะสละความเพียรต้องอาศัยอิธิบาย ยุงความเพียรต้องอาศัยอินทรีย์คือความเป็นใหญ่คือให้จิตที่มุ่งทำความเพียร น, นี้เป็นใหญ่กว่าความเกียตคร้านเป็นต้นโดยที่มีศรัทธาคือความเชื่อตั้งมัน่นและการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นสิ่งที่ทำได้และให้ผลดีจริงเนี่ยก็ต้องมีพลังคือกําลังใจ ในการปฏิบัติเป็นอันว่าต้องมีสมะระทานต้องมีอิทธิบาท ต, ต้องมีอินทรีย์มีพละในการปฏิบตัติซึ่งทั้งหมดนี้ก็รวมอยู่ที่กิจหรือใจนี้เองคือใจต้องตั้งความเพียรไวเบื้องหน้าให้มัน่นคงใจต้องมีอิทธิบาทคือต้องพอใจ ในการปฏิบัติเป็นต้นใจต้องเป็นใหญ่เหนือกิเลสใจต้องมีพละคือกำลังในอันที่จะต่อสู้กับกิเลสเมื่อเป็นดนังนี้แล้วอานาปานสติก็จะสำเร็จเป็นสติปัฏฐานขึ้นมาและเมื่อตั้งปฏิบัติเพียงข้อนี้เพียงข้อเดียวก็จะรู้เวทนา รู้จิตของตนรู้ธรรมะในจิตของตนไปพร้อมกันเพราะกายเวทนาจิตธรรมนี้รวมมาอยู่เป็นก้อนเดียวกันเหมือนอย่างเก้าอี้หนึ่งตัวมีขาสี่ขาทั้งสี่ขานี้ก็รวมเป็นเก้าอี้ตัวเดียวกันกายเวทนาจิตธรรมนี่ก็เนื่องเป็นอันเดียวกันเป็นสติที่กําหนดรู้ เป็นญาณปัญญาที่อยางรู้ลมหายใจเข้าออกก็จะปรากฏแก่ความรู้นี่เป็นดวสติและปัญญานี้เวทนาจิตธรรมที่รวมอยู่ก็จะปรากฏขึ้นอันอาจที่จะรู้ได้พร้อมกันว่านี่กายนี่เวทนานี่จิตนี่ธรรมหรือว่านี่ลมหายใจนี่เวทนาเห็นสุข นี่จิตและนี่ธรรมะคือเรื่องในจิตก็ได้แก่ลมหายใจนั่นเองที่เป็นเรื่องในจิตและสติกับญาณปัญญานั้นก็เป็นเรื่องในจิตไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นจึงมาถึงสติสัมโพธิชน์ซึ่งคํำมาโพธิชนงนั้นแปลว่าธรรมะที่เป็นไปเพื่อความรู้หรือธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสัจรู้ เป็นระพุท ธ, ธาทิบายพี่เมื่อภิกษุรูปหนึ่งเรียกราบทูลถามเมื่อที่เรียกว่าโพดชงนั่นคืออะไรเราตรัสตอบว่าคือธรรมะที่เป็นไปเพื่อความรู้หรือตรัสรู้เรียกว่าโพดชงเพราะฉะนั้นสติที่เป็นโพชชงนี้ก็เป็นสติที่กาหนดรู้กายเวทนาจิตธรรมรวมเข้าเป็นก้อนเดียวกัน และเป็นความกำหนดรู้ที่รู้อยู่ในภายในภายในจิตความกำหนดรู้ที่กำหนดรู้อยู่ภายในจนิตนี้ก็คือเป็นตัวธรรมารมณ์อารมณ์คือธรรมะเรื่องราวไม่ใช่รูปลมให้ใจเขาออกที่เป็นธรรมธรรมอารมณ์อยู่ในจิตใจนี้จึงไม่ใช่ลมให้ใจเขาออกที่เป็นรูปคือที่มากระทบ ไรจมูกหรือที่ทำให้ร่างกายแสดงอาการหายใจเข็นท้องผองท้องยุบเป็นลมหายใจที่กาหนดรู้อยู่ในจิตเป็นตัวธรรมารมณ์ในจิตซึ่งมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านไปสู่ที่อื่นสติที่กาหนดรู้นี้เมื่อเป็นตัวรู้ที่เป็นสติ กำหนดอยู่ภายในจิตทุกอย่างเป็นธรมรมารมณ์อยู่ในจิตเป็นตัวรู้ในกายคือลมหายใจเข้าออกเองในเวทนาเองในตัวจิตเองและธรรมะในเรื่องของจิตเองกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นอารมณ์เมื่อเริ่มปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้สติระยานะปัญญานะเป็นตัวรู้เป็นตัวรู้อยู่ในภายใน เมื่อเป็นตัวรู้ที่รวมเข้ามาทั้งหมดดังนี้ก็เป็นสติสัมโพชงลังกล่าวเป็นตัวสติที่ประกอบด้วยปัญญาคือญาณปัญญารู้รวบยอดเข้ามาทั้งหมดเป็นอันเดียวกันเหมือนอย่างคนที่ยืนมองเก้าอี้ที่มีสีข่ขาเห็นพร้อมันทั้งสีข่ขา แยกเก้าอี้ที่เป็นสี่ขานั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกตามองตาซึ่งเป็นภูมมองก็มองเห็นทั้งสี่ขาซึ่งที่แรกนั้นก็แยกมองทีละขาทีละขาแล้วก็มารวมเห็นทั้งสี่ขาเราเดียวกันทั้งหมดเป็นสติสัมโพชฌงและเมื่อสติรวมเข้ามารู้ดังนี้สิ่งที่ผ่านเข้ามา แทกแสงอันทำให้สติวันไวไม่อาจจะกำหนดรู้รวมอยู่ได้ก็พึงบังเกิดขึ้นได้เพราะว่าในจิตนี้มีกิเลส ท, ที่เป็นอาสวะอนุสัยนอนจมมัดดองอยู่มันเป็นอย่างละเอียดที่เปรียบเหมือนเป็นตะกอนก้นตมเทียบกับอนุัยที่นอนเนื่องอยู่ในจิต เรเปรียบเหมือนสิ่งที่ระคนอยู่ในจิตอย่างละเอียดเหมือนอย่างเครื่องทำให้เมาที่ระคนอยู่ในน้ำเมาดูน้ำเมาก็เป็นน้ำใสๆแต่ว่ามีเครื่องทำให้เมาระคนอยู่หรือเปรียบเหมือนว่าน้ำนี้เป็นสีแดงสีเขียวก็มี ตัวสีที่แดงหรือเขียวปนอยู่แม้น้ําจะใสน้ําก็ยังเป็นสีแดงสีเขียวนั่นเองหรือว่าแม้น้ําจะใสเหมือนอย่างน้ําขาวขาวหรือน้ําที่บริสุทธิ์แต่ก็เป็นน้ําเมาอยู่นั่นเองเมื่อมีความเมาปนอยู่สิ่งที่ปนอยู่อย่างละเอียดดังนี้คือตัวอาสวะในแปล ว, วันดองจิตและยังมี อาจตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายอะไรมณนะคือใจที่รับอารมณ์ต่างๆอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิ ภ, ภัและธรรมะคือเรื่องราวทั้งหลายและเมื่ออาจตนะที่เป็นภายในมาประวบกับอาจตนาที่เป็นภายนอกก็มาทำกิตให้ตกจากสติที่ตั้งไว้นั้นได้ทำให้ฟุ้งซ่านออกไปได้ อำให้เกิดความยินดีความยินร่ายได้พระฉะนนั้นเมื่อมีสติกำหนดดูให้รู้จักความที่เป็นสติที่รวมเข้ามาได้จับความที่สติต้องสลายตัวให้รู้จักอาการที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันของตัวเองอย่างนี้ต้องอาศัยสัมโพธชงข้อที่สองคือธรรมกวิจยะสัมโพธชง อันเนื่องมาจากสติเสนออาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นในจิตอันประกอบด้วยสติสติก็ยังกำหนดรู้ได้เมื่อรู้ได้ก็เสนอปัญญาในจิตนี้เองพิจารณาเลือกเฟ้นธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิตนี้เองเมื่อกล่าวโดยสรุป ก็คือให้รู้จักว่านี่กุศล น, นี่อกุศล น, นี่มีโทษนี่ไม่มีโทษ น, นี่ละเอียดนี่หยาบนี่มีส่วนเปรียบด้วยดำและขาววิจัยคือเลือกเฟ้นจิตทุกตัอตอเองให้รู้จักก็ต้องอาศัยสติเสนอสิ่งที่บังเกิดขึ้นในจิต เพื่อวิจัยด้วยและสติอาดรลึกได้ถึงคำทั้งท้อของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ในวิธีที่จะวิจัยทั้งในด้านกุศลทั้งในด้านอากุศลเป็นต้นคือในด้านที่เป็นกุศลไม่มีโทษละเอียดและเทียบกับธรรมะที่เขานั้นือคือความที่ได้อาศัย ประธานะคือความเพียรอิธิบาตอินทริภะละตั้งสติกําหนดไว้ในกายเวทนาจิตธรรมดังที่ตั้งเอาข้อลมให้ใจเข้าออกเป็นต้นต้องตรอ ง, อ, งอาศัยธรรมะเหล่านี้มาประคบประคองแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมะเหล่านี้มาประคบประคอ ง, ป เ, ปปองเป็นเป็นตัวสติที่ตั้งมัดกาหนด กายเวลาจิตทรรมรวมมันอยู่เป็นก้อนเดียวกันเหมือนยังมองดูเก้าอี้สีข่ขาเห็นเัืงสีข่ขาพร้อมกันและในบางคราวก็มีอารมณ์อื่นมาดึงให้หันไปมองทางโน้นทางนี้ทิ้งสติที่มองเก้าอี้สีข่ขาในบางคราวก็ต้องกันหนดนให้รู้จักว่าเมื่อมีสติ อาศัยประธานะเป็นต้นกำหนดดูตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมเป็นไปอยู่เมื่อมีสติกำหนดดูอยู่ได้ดังนี้ก็ เ, เป็นกุศลไม่มีโทษประณีตและเหมือนยังทำข่าวแต่เมื่อถูกอาสวะอนุสัยที่อาศัย อารมณ์มากระทบกับอายตนะคือทวานทั้งหกทำให้ใจกระเพื่อมจิตไม่อยู่นิ่งกวหลุกหลิตไปในรูปบ้างเสียงบ้างเป็นต้นที่เขามากระทบนั้นกดทิ้งเก้าอีสี่ขานั้นสตกิก็กำหนดให้วิจัยว่านั่นเป็นอกุศลมีโทษหยาบ แล้วเทียบกับธรรมะที่ดำจะ อ, อะไรที่มาทำให้เกิดธรรมะที่เป็นอกุศลมีโทษก็ะลึกถึงคำสอนของพระเจา้าในหมวดอายตนะว่ า, าสายตากับโรคก็เกิดสัญญาต์คือความโผกก็ใช้ปัญญาวิจัยว่าความโผกนี่เองเป็นตัวเหตุซึ่ง มากระทบจิตทำจิตให้วอกแวกไม่สงบความผูกที่เป็นตัวสัญญาณในเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรเสียงอะไรเป็นต้นอย่างความผูกนี้ก็คือผูกเอาสิ่งที่เห็นสิ่งที่ยินเป็นต้นมาเป็นอารมณ์อยู่ในใจเมื่อเป็นดังนี้อารมณ์ของสมาธิคือติประทานนั้นก็สลายตัวไป อารมณ์ูปอารมณ์เสียงก็มาแทนแล้วสัญญคือ ต, ตัวความผูกนี้ไม่ใช่มีความหมายว่าผูกไว้เฉยๆท่านจึงมีอธิบายไว้ด้วยว่าแรกกับชันทราคะคือความพอใความติดเรืนะั้นความพอใจคือความยินดีความรักความชอบถ้าอารมณ์คือรูปที่ผูกไว้นั้นเป็นที่ตั้งของ ราคะความติตใจ ย, ยินดีแต่ถ้าอารมณ์ที่ผูกนั้นเป็นที่ตั้งของความยินร้ายไม่ชอบก็ให้เกิดความกระทบกระทั่งความโกรธแค้นขัดเคืองความพยาบาทซึ่งเป็นความยินร้ายแต่ถ้าอารมณ์ที่ิผูกนั้นเป็นกลางๆไม่พอจะให้ยินดีไม่พอจะให้ยินร้ายก็เป็นที่ตั้งของความหลง คือไม่สนใจที่จะมากําหนดดูแต่ว่าสยบติดอยู่จึงไม่รู้จักโทษเาะฉงนั้นเมื่อความผูกมาเป็นผูกใจยินดีผูกใจยินร้ายผูกใจให้หลงติดสัญก็คือความตัวความผูกดังนี้ก็ปรากฏเป็นนิวรันขึ้นมาก็าคือ น, นิวรันทั้งห้านั่นเองเป็นการมาฉันความพอใจใกล้ในกาม คือสิ่งที่น่ารักใครปราดนะพอใจทั้งหลายหรือด้วยอำนาจกรรมพยยบาตเป็นอันวณนีบอนทั้งห้านี้ก็มาทำลายสติในสติปัฏฐานอารมณ์ของนิวรณ์ทั้งห้านั้นนี้มาตั้งอยู่แทนก็บังเกิดเป็นความฟุง้งซ่านไม่สงบทำให้จิตนี้ดิ้นร น, นกัดแกงกระสับกระส่ายดังนั้นก็ต้อง มีวิจัยคือให้รู้จักว่าอันนี้แหละเป็นตัวอันตรายของสติผู้ปฏิบัติจะต้องทําสติสกัดกั้นความผูกใจในเวลาที่เห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นต้นถ้าภาคว่าสกัดกั้นความผูกใจไม่ได้ก็เกิดนิวรณ์ก็ต้องปฏิบัติเพื่อระ ง, งับนิวรณ์ก็อาศัยกรรมฐานก็รวมอยู่ในหบดกายเวทนาจิตธรรมนี่เองมาปฏิบัติเพื่อระ ง, งับนิวรณ์ ที่เคยเห็นเก้าอีทั้งสีข่ขาก็เป็นอันว่าต้องมาดูเป็นขาขาไปอีกเกิดอนั่งรับนิวรขาไหนจะระงรับนิวรณ์ข้อไหนก็ใช้ขานั้นอย่ามือ ร, รับนิวรได้ก็หมายความว่ารับความผูกได้จึงจะมาเห็นเก้าอีรวมกันทั้งสีข่ขาใหม่และจิตที่ตกติกเด่นรวมกดวางร่างาสก็จะกลับสงบรวมอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะฉะนั้นความที่วิจัยธรรมะให้รู้จักธรรมะในจิตของตัวเองดังนี้จึงเป็นนิว้วโพดชงข้อที่สองการที่เมื่อวิจัยรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติอาศัยวิรยิยาคือความเพียรเป็นโพดชงข้อที่สามคือเพียรละธรรมะที่เป็นอกุศลที่เป็นโทษที่หยาบในที่เปรียบเหมือนอย่างธรรมะที่ดํานั้นเป็นปะหาหนะ ละภาวานาคืออบรมธรรมะที่เป็นกุศลที่ไม่มีโทษจิประนิจในที่เปรียบเหมือนอย่างเป็นสีขาวคือสติและญาณปัญญาที่กำลังปฏิบัติอยู่นั้นเองให้มาครอบครองจิตให้เป็นใหญ่อยู่ในจิตให้เป็นพระละคือกำลังอยู่ในจิตเมื่อปฏิบัติ ด, ดังนี้จิตก็จะเริ่มได้สมาธิมีวิตกคือความตรึก ได้แก่นำจิตให้ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้มีวิจารณ์ตรองก็คือว่าประคองจิตไว้ในอารมณ์ของสมาธิได้เมื่อเป็นดังนี้ก็เริ่มได้ปิติได้สุขในสมาธิและก็จะปรากฏนิมิตของสมาธิบางอย่างเช่นแสงสว่างเป็นต้นและจะได้ปิติได้สุขนี้ซึ่งทำให้จิตนี้ติดได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องกันหมดรู้ต้องมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะควบคู่กันไปทิ้งไม่ได้แต่ว่าเมื่อไม่ให้ปิติสุขมาเป็นอุปกิเลส ข, ของสมาธิของปัญญาก็จะได้ปัจสถานสายปิติสุขนั่นเองคือความรงกบกายสรุปิจเป็นสุขสุขนี้เองก็เป็นที่ตั้งของสมาธิ จะทําให้สติธรมานิมั่นคงขึ้นไม่ทําให้ในอุเบกขาคือความที่เขาไปเพ่งเฉยอยู่ในภายในไม่ตกติดออกไปในภายนอกสงอบอยู่ในภายในก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์จึงเป็นโพชฌงค์เจ็ดที่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป